ทนฟังที่เคารพคะนี่คือรายการ ส, สนิสนธนานะคะผ่านไปสำหรับการนำการปฏิบัติ ธ, ธรรมโดยพระมาชาคาวโรจากวัดนาปะพงลำลูกาคลองสิวัดที่มีพระอาจารย์คืึกฤทธิ์สดทิพโลซึ่งมอบหนังสือพู้ทวจะนะให้กับพวกเรามาเป็นประจำวันละสามเล่ม น, นะคะเป็นท่านเจ้าอาวาสไหนๆพูดถึงหนังสือแล้วท่านใดที่อยากได้ไปอ่านประสูน์เองไม่มีขายที่ไหน โทรศัพท์ติดต่อมาที่022690006กันได้เลยนะคะ2690006ค่ะและสาหรับตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะไปพบพระภิกษุอีกรูปหนึ่งนะคะนั่นก็คือพระภบูรุ์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะค่ะมงสการกระทัางคะเจ้าบอลค่ะท่านเจบุ์คะพูดถึง ปีพุทธชยันตีสองพันหก้อยปีพระพุทธเจ้าปีนี้เป็นปีที่คนที่นับถือศาสนาพุทธก็จะนึกถึงพระพุทธเจ้ากมากขึ้นเพราะว่าจะมีการจัดการระลึก ถ, ถึงอย่างเป็นทางการทีนี้บางคนก็จะทำด้วยตัวเองดิฉันก็เลยอยากกราบเรียนถามท่านแล้วก็เป็นการเฉลยกับท่านฟังทั้งหลายด้วยว่าที่ฟังมาที่ผ่านมาสองอาทิตย์นั้น เป็นการฟังการบันทึกเทปในขณะที่ท่านพิบู์ไม่ได้อยู่ที่อุดรแล้วนะคะอยู่ใกล้กับอุดรอีกตอนนี้อยู่ที่ไหนกันท่านคะอยู่ที่กรุงเทพหมหานครไม่ใช่ค่ะที่ฉันถามถึงว่าวันที่ที่ออกอากาศค่ะอ๋อตมาก็ไปอยู่ประเทศนอร์เวย์นะคะไป อ, อยู่ท่านใช้คำนี้ก็ไปแสดงธรรมด้วยแล้วก็ไปกับหลวงพ่อด็ อ, อรสะอาดท่านเจ้าวาดไปแสดงธรรมที่ประเทศนอร์เวย์ ก็ไปทั้งหมดตามหัวเมืองทั้งหมดสี่หัวเมืองจึงต้องบันทึกเทปของรายการนี้ไว้ซะกอ่อนค่ะแล้วก็ต้องถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของการที่เหมือนกับไปประกาศธรรมของพระพุทธองค์นี่ก็ถือเป็นวิธีที่จะเหมารวมไปอยู่ในการถวายพุทธบูชาในปีนี้ไหมคะใช่ก็เป็นกิจกรรมคือมันมีโอกาสเข้ามาพอดีแล้วก็เลยได้ไ ด, ได้ทําตรงนี้ อเรวก็ในการที่ไปครั้งนี้เนี่ยก็คิดว่าสิ่งที่เราสแสดงออกไปเนี่ยถ้าบอกว่าคนที่เขารับฟังเนี่ยเขาไม่มีมีความารู้พื้นฐานใดๆเลยที่เกี่ยวกับาศาสนาพูธใช่ไหมถ้าสิ่งใดๆที่เราพูดไปเป็นคําพูดของผู้รู้เจ้าเลยเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องมาตามแก้ ว, ว่าอันไหนเป็นพุทธวจนะอันไหนไม่ใช่พุทธวจนะอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะคุณยมติว อ, อดีซะอีกใช่ไหมคะในแง่ที่ก็เลยแบบ ใส่ไปทีเดียวเป็นความรู้ครั้งแรกให้ถูกต้องไปเลย อ, อย่างเงี้ยอืมค่ะไม่ต้องเหมือนกับที่บางทีเข้าใจไม่เหมือนกันเข้าใจมาก่อนอย่างหนึง่งมาเข้าใจทีหลังอย่างหนึง่งใช่แล้วก็เลยสับสนสับสนต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจแบบบางท่านที่เป็นคนไทยแม้กระทั่งดิฉันเองเนี่ยนะคะท่านคะก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้มีความเข้าใจแตกต่างในหลายเรื่องอืม จนกระทั่งท่านมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุโทโธจนะแม้แม้กระทั่งตัวอาจจะมาเองก็เหมือนกันนะสมัยก่อนเราก็เข้าใจเรื่องพิธีกรรมเร่งต่างเป็นคำสอนพุทธาหมดแต่พอมาศึกษาจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยค่ะนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าการเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยเป็นความเมตตาของท่านพบูลมากนะคะท่านยอมลำบากนะ ไหนจะเหน็ดเหนื่อยจากการที่จะต้องมาตราเตรียมการเดินทางสําหรับตัวท่านเองด้วยสําหรับท่านเจ้าวาดคือหลวงพ่อดอรสะอาดด้วยแล้วท่านก็ยังจะต้องตื่นนอนแต่เช้าตรูเลยนะคะบางวันก็ตีสี่ครึ่งบางวันก็ตีห้าเพื่อที่มาเตรียมบันทึกรายการล่วงหน้าทั้งที่นี่แล้วก็ทั้งของที่วิทยุประเทศไทยที่ท่านจัดด้วยก็ต้องนมันสการขอบพระคุณมาในโอกาสนี้เลยนะคะท่านคะ <S <S> <S แล้วก็คงต้องบอกว่ากลับมาแล้วขอให้ท่าน ได้ช่วยนำประสบการณ์ที่นั่นมาเล่าให้กับท่านฟังที่อยู่ที่นี่ฟังด้วยได้ช่วงนี้ท่านคงจะลำบากมากนะครับเพราะว่าได้ยินว่าที่นั่นหนาวะคะ่ะก็ก็มีการเตรียมตัวในเรื่องของการป้องกันนี้เหมือนกันค่ะซึ่งจริงๆวินัยหลายอย่างก็ผ่อนปลนลงได้นะสำหรับภิกษุก็อย่างภิกษุเนี่ยถ้ากฎข้อหนึ่งเนี่ยก็คือว่าไม่ควรแต่งตัวเหมือนกับคารวาส เพราะนั้นถ้าอยู่ในที่อากาศนาวมันคงจะต้องมีการสวมใส่รองเท้าบ้างอะไรบ้างก็ผ่อนปลนได้ในแล้วแต่กรณีไปอย่างนั้นในกรณีจำเป็นจำเป็น<ช>พูดถึงไม่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องวินัยของผู้พูทธเจ้าเนยีเข้าใจว่ากองเชียร์คือลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยคงจะบอกว่าท่านยังไงต้องรักษาสูบผ้าวไว้ก่อนนะคะอย่างนี้นะคะก็มันมีโอกาสเข้ามาช่วงนี้พอดีก็เลยต้องเอาไปก็ไปอย่างนี้ค่ะ กลับมาถึงเรื่องของปีพุทธชยันติอะไรกันค่ะดรบอลในเรื่องนี้ก็จึงคิดว่าจะมีประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องนี้อยู่คือผู้รู้ชาติของเราเนี่ยถ้าเรามาเปรียบเทียบกับความเป็นพระผู้รู้ชาติกับความเป็นสาวกเนี่ยนะก็จะอย่างที่เราเคยคุยๆกันว่าผู้รู้ชาติเนี่ยเป็นเลิศในเรื่องของการรู้แจ้งมาักการทำมักให้อาแจ้งก่อนแล้วก็เป็นผู้ออกแบบมัก ในขณะเดยียวการสาวกเนี่ยเป็นผู้เดินตามมัชเท่านั้นนะนี่คือเรื่องของปัญญาเรื่องของการความรู้ความความเรียนที่อยู่ในจิตของพระองค์เรียบเทียบกับสาวกในทางตรงกันข้ามนะเรื่องของศีลเนี่ยบางทีเนี่ยสาวกเนี่ยเข้มข้นกว่าพระพุทธเจ้าในยังไงคืออย่างเช่นเรื่องของทุดองขวัตเป็นต้นเช่นว่า <c oughs> สาวก <c oughs> สาวกบางรูปเนี่ยรับประทานอาหารมื้อเดียว หรือรับประทานอาหารแค่ฝ้ายพอมือแต่พรุทธเจ้าเนี่ยรับประทานอาหารเต็มบาทก็มีรับประทานอาหารที่เขาถวายโดยประณีตตามมาในภายหลังก็มีนะบางทีพระุทธเจ้าของเราเนี่ยห่มผ้าเครื่องบดีชั้นเยี่ยมเลยเนื้อละเอียดแต่สาวกนี่ใช้ผ้าทุดดงเขาวัดป่ปะ ป, ป, ป, ปอนปอนก็มีนะตลอดชีพด้วยพระพุทธเจ้าก็จึงบอกในลักษณะนี้ว่าแต่ว่าที่สาวกทั้งหมดเนี่ยมาอยู่กับพระองค์เนี่ยนะก็เพราะว่าความที่รู้อริยสัจสี อย่างอะไรก็ตามนะไอ้ทุตองค ว, วัตเนี่ยผู้รู้แจ้งก็เป็นคนบัญญัติเองค่ะก็ท่านกำลังประเด็นที่ท่านต้องการจะบอกพวกเราทั้งหลายคืออะไรคะท่านก็คือว่าความแตกต่างบางทีเราเห็นเห็นเนี่ยเ้ยคนนี้เคร่งคนนี้ไม่เคร่งแต่ว่าข้างในคุณไม่รู้หรอกว่าใครฉลาดใครโง่หรือว่าใครฉลาดมากกว่าใครซึ่งอีกโดย ย, ยกเอาพระพุทธรเป็นตัวยอย่างใช่ประเด็นที่สองตรงนี้ก็คือว่า เวลาที่เราเห็นเห็นเนี่ยนะเราไม่รู้ใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางทีเราเราคิดว่าคนนี้เคร่งคนนี้ดีแต่จริงๆเขาอาจจะไม่ดีก็ได้ะนะคะก็อย่าไปตัดสินกันที่สิ่งที่มองเห็นภายนอกอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ใช่เเราก็ไอ้อยางไรก็ตามนะเรื่องของทุดงคาวัตก็ตามนะเรื่องของการใช้ผ้ากระป๋ดีหรือว่าการใช้ผ้าทุดดงเนี่ย ผ่าผ้าบางสกุลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พระธเจ้าบัญญัติแต่พระธเจ้าก็ทำมาก่อนทั้งนั้นเลยค่ะอ๋อค่ะท่านคือท่านทำมาแล้วใช่นะคะอันนี้ก็เป็นการทำความรู้จักพระพุทธองค์ให้มากขึ้นแล้วก็เราคงจะได้ข้ออัจข้อธรรมแล้วก็ได้วิธีในการที่จะไปปฏิบัติต่อ ผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติทั้งหลายว่าอย่าไปมองแต่ภายนอกแล้วไปตัดสินอาจจะผิดก็ได้ ใ, no. ในที่นี้หมายถึงตัดสินผิดความหมายดิฉันนะคะแต่ว่ามีไม่เราไม่ควรทำเพราะสมมติถ้าเราไปตีขลุ่มอย่างนั้นเนี่ยเราเสียหายในทางทำของเราอย่างไรไหมคะออถ้าตีขลุ่มแล้วมันผิดอะก็ก็จะทำให้เสียโอกาสในการที่จะได้ความรู้นะสมมติว่าเราคิดว่าคนนี้ไม่ดีเราไม่มีศรัทธาเนี่ย แต่จริงๆเขามีความรู้ความเรียนสูงเนี่ยเราเราก็จะเสียโอกาสในการที่จะรู้จากเขาอืมอืมน่าเสีดยดายเป็นใหญ่ยิ่งเลยท่านคะงั้นก็ต้องนมัส ก, การค่ะว่าคุณในส่วนที่เกี่ยวกับพุทธชยันตีพวกเราก็ช่วยกันกันละกันนะคะว่าจะเลือกวิธีที่จะถวายพระพุทธเจ้าในปีสองพันห้าร้อยห้าสิห้าปีพุทธชยันตีนั้นด้วยวิธีอย่างไรแต่ที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติบูบชาท่านคะดิฉันเองเนี่ย ก่อนหน้าที่จะจัดรายการกับท่านได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผลอินทผพลัมอืมอ๋อภาษาอังกฤษ ก, ก็เรียกว่าเด็เนาะค่ะอินทาลัมก็เป็นความจริงมันไม่ใช่ผลไม้พื้นเมืองของเรานะคะแต่ระยะหลังเนี่ยเห็นเขาบอกบอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็ปลูกได้และปลูกดีด้วยคือเมื่อก่อนมันมาจากทางทะเลทรายตอนนี้เนี่ยส่งออกเลยนะคะส่งออกได้เป็น เป็นจานวนมากๆส่งได้เป็นอันดับต้นๆด้วยทีนี้เขาก็พูดถึงเรื่องของคุณสมบัตินะคะว่ามันมีประโยชน์คือทำให้อาหารย่อยง่ายลดยการท้องผูกป้องกันมะเร็งช่องท้องมะเร็งลำไส้ช่วยแก้เจ็บคอแก้กระหายน้ำได้อันนี้เป็นคุณสมบัติเี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นฟังดูมันดีมากเลยอินทพลาลัมกับตานเนี่ยมีความสัมพันธ์ คือเป็นไปได้ไหมคะที่จะถวายเป็นปานะถวายหลังาจากมื้อปกติปานะเนี่ยแปลว่าน้ำานะี่ยซึ่งพระเจ้าอนุ ญ, ญาตให้เป็นน้ำผลไม้ที่ไม่ผ่านความร้อนแล้วก็กรองอ่กรองด้วยแล้วก็ไม่ผ่านความร้อนอันนี้เป็นปานะถ้าคุณไม่ป่วยคุณรับประทานได้นะเป็นของอย่างเดียวที่รับประทานได้หลังจากที่เวลาอาหารโดยปกติแล้วถ้าไม่ป่วยนะ แต่ถ้าป่วยเนี่ยจะรับประทานส่วนไหนของต้นไม้จะเป็นใบไม้รากลำต้นอะไรต่างๆเนี่ยหรือผลเนี่ยที่มีคุณสมบัติเป็นยาเนี่ยรับประทานได้ถ้าคุณป่วยอันนี้ก็จะจัดเป็นยานะไม่ได้จัดเป็นปานะอ๋อค่ะดิฉันเห็นเวลาที่คนเขาจะอะไรไปถวายหลังจากมื้ออาหารประกะติเนี่ยแล้วเขาก็เอาของมาเยอะแยะไปหมดเลยมักจะพูดกันว่าปานะปานะ ถ้าไม่ป่วยฉันได้แต่น้นําในลักษณะที่เป็นน้ําผลไมถ้ถูกต้องถูกต้องก็คือ<ม>บา ง, งทีงเขาเขาอาจจะเหมารวบไปเรียกว่าปานะปานะแต่จริงๆไม่ใช่คุณจะต้องถ้าจคนถาวายที่พิธีพิถันเนี่ยเขาจะแยกออกเลยตรงนี้เป็นปานะเพรา ะ, ะว่าภิกษุที่เขารับมาเนี่ยเขาก็จะพิจารณ า, าเอ๊ะฉันป่วยไหมรับประทานอะไรเนี่ยอย่างผลอินทผลัมอย่างเงี้ยมันจะช่วยระงับเวทนาที่เรามีได้ไหมถ้าไม่ได้เราพิจารณาอย่างอื่นดูซิรับประทานอันนี้เป็นใบเป็นรากเป็นอะไรเราก็ ค่อพิจารณาไปแต่ถ้าคุณไม่ป่วยได้เลยจะกินเนี่ยกินได้แต่น้ําเปล่ากับปลาณนาเท่านั้นเองกับไอ้เจ้าผลน้ำผลไม้ที่ไม่ผ่านความร้อนแล้วก็ผ่านการกรองอถึงจะถูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออันนี้ก็เป็นประโยชน์ทีฉันถามเป็นแง่เป็นมุมไว้แต่พูดถึงสมมุติว่าในกรณีที่พระภิกษุ ป, ป่วยนี่ถวายอินทรพลามนี่ก็สบายเลยเก็บได้ไหมคะพูดถึงก็บอกว่าถ้าอะไรที่มันมีคุณสมบัติเป็นยาใช่ไหมคะใช่ที่ว่าเก็บได้เนี่ยถ้าเกิด คนไปต่างประเทศหรือว่าไปได้มาจากสวนประเทศไทยที่เขาปลูกส่งออกเยอะๆดีๆเนี่ยแหมก็อยากถวายพระอืถวายเป็นพวงใหญ่ๆหลายกิโลเลยอย่างเงี้ยเควรถวายไหมคะออมันไม่ได้มีน้ําตาลใช่ไหม ม, มันเป็นผลไม้ที่เต็มด้วยความหวานเลยท่านค่ะเออมันถึงว่าเขาไม่ได้ใส่น้ําตาลเพิ่มเนาะเขาไม่ได้ใส่เพิ่มเขาวาดเองเออถ้าหวานเองก็ก็สามารถเก็บไว้ได้อ๋อแต่แต่ถ้าเป็นน้ําตาลอย่างไงล่ะคะเออคือพูะเจ้าพูดถึงน้ําพึ่งไงน้ําพึ่งกับน้ำอ้อยเนี่ย มีอายุแค่เจ็ดวันอ่าเป็นยาที่มีอายุเจ็ดวันเก็บไว้เกินเจ็ดวันไม่ได้อืม mm hmm. ถ้ามันมีส่วนประกรอบของน้ำตาลซึ่งทำมาจากน้ำอ้อยอย่างเงี้ย mm hmm. ก็จะแทนที่จะมีอายุได้ตลอดก็มีอายุแค่เจ็ดวันเท่านั้นเองอ๋อค่ะคืออันนี้ก็เป็นความรู้กับพวกเราเหมือนกันนะคะจะได้พิจารณาถวายเพราะบางทีไปถวายเป็นปริมาณเยอะๆเนี่ยอืม mm hmm. อาจจะดีแต่ว่ากลายเป็นภาระเพราะว่า อย่างอย่างน้ำพึ่งอย่างนี้นะคะท่านดิฉันก็พิ่งไปอ่านหนังสือมาว่าอืเขาจะมีวิธีในการรับประทานที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเมื่อก่อนเราเคยคิดว่าดีอืรับประทานเท่าไหร่ก็ได้ยังไงก็ได้แต่ปรากฏว่าถ้าคนน้ําตาลสูงเนะี่ยเขาก็บอกว่าไม่ควรที่จะรับประทานน้าพึ่งอือันนี้อยากกลับเรียนพระคุณเจ้าที่เป็นพระสงฆ์ทั้งหลายไว้เลยนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะคิดว่าอยู่ในส่วนที่เป็นอาหารประเภทใกล้ๆยา อย่างที่สองเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะรับประทานแบบไม่ผสมอะไรเลยบางครั้งมันก็เป็นอันตรายกับสุขภาพเหมือนกันนะคะแต่บังเอิญเรือนลางจบไม่ได้ว่าอันไหนเป็นอันตรายอย่างไรสรุปแล้วก็คือว่าถ้าจะถวายในถวายความรู้ด้วยก็ดีเดี๋ยวนี้หลังจากที่เขามีข่าวออกไปว่าพระภิกษุอาพาธกันมากเพราะว่าอาจจะ บริโภคขอภัยอะชันแต่อาหารดีๆคือคนตั้งใจถวายาใส่ของดีที่สุดไอของดีที่สุดมันมักจะอร่อยและเป็นอันตรายอะอค่ะพีอ่อาหารนั้นประณีตดีบางทีก็เป็นอันตรายสุขภาพนะค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราพิจารณาอย่างที่พระเจ้าอธิบายเนี่ยก่อนฉันเนี่ยจะหมดปัญหาเลยแต่พระพุทเจ้าบอกว่าถ้าเราเป็นผู้มีสติทุกเมื่อนะรู้ประมาณในโภชนาที่ได้มานะบุคคลที่เป็นอย่างเนี้ย มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้ประมาณในโพชนาที่ได้มาเขาย่อมแก่ช้าแล้วก็ครองอายุได้ยืนนานอันนี้มีคาถาหนึ่งท่านไม่พูดตั้งแต่ต้นดิว่าจะให้คาถาแก่ช้าดิฉันจะได้ตั้งท่าจดตั้งแต่แรกอีกครั้งหนึ่งก็ได้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเออพระเจ้าตรัสว่าอันนี้เป็นคาถาที่ตรัสกับพระเจ้าพระเศียรดิโกศนตอนนั้นพระเจ้าพระเศียรดิโกศนอ้วนมากเลยก็เลยฟังทำแล้วก็หมอยหลับมอยหลับลงไป เอ <Okay. S 2> หลับลงไปเนี่ยพรเจ้าก็เลยไปตามพระเจ้านะว่าจะทายังไงดีพรเจ้าก็ให้คาถานี้มานะบอกว่ า, าบุคคลผู้ปึงมีสติอยู่ทุกเมื่อนะพรู้จักพิจรารณารู้จักประมาณในโภชนะที่ได้มานะ <Okay. S 2> วรที่3เขาย่อมแก่ช้าแล้วก็วรที่สี่เขาวรที่3นะัคือเขาย่อมแก่ช้ามีเวทนาบาบๆงนะแล้วก็วรที่5ก็คือ ย่อมเครองอายุได้ยืนนานขอไปวักที่สนะี่นันย่อมเครอะอายุได้ยืนนานมีเขาย่อมแก่ช้าแล้วเงี้ยนะคะท่านภาวนามีเวทนาเบาบางมีเวทนาอืและเครองอายุได้ยืนนา น, าานะค่ะท่านฝ<อ>ั่บาบางที่โคค่ะท่านไปบูรหัวนี่เป็นคาถาเลยนะออืพระพุทธเจ้าตรัสกับกษัตริย์ในสมัยนั้นชื่อว่าพระเจ้า ป, ประสิทธิโกศลใช่พระเจ้าประเสิทธิโกศลท่าน มีปัญหาอะไรเหรอคะพระธองถึงได้ตรัสคาถาเนี้ยค่ะกินมากแล้วก็นั่นหนักมากอ้วนมากันเถอะอ๋เออหรอคะออใชอ่อ๋สมัยก่อนมีคนถามทุกคำถามพระเถองเหมือนกันอืมก็คือพ อ, อ, อพระองค์รับประทานอาหารมากเกินไปหมายถึงพร ะ, ะเจ้าพเศียรนิโกสนันใช่ไหมก็เลยเวลาที่มาฟังธรรมแล้วก็เลยง่วงหลับลงไปอ๋ อ, อก็เลยไปต<ข>ามพรุทธเาวัาทำไงถึงจะแก้ปัญหานี้ได้ แังนั้นถ้าเราคิดว่าภูมิปัญญาของพระพุธองศุดยอดทีนี้ก่อนจะรับประทานอาหารอะไรกันนี่เลยค่ะท่านฟังคะ <c oughs> เป็นผู้ที่มีสติทุกเมื่อรู้จักประมาณในโภชนะที่ได้มา <c oughs> ย่อมแก่ช้ามีเวทนาเบาบางและอายุยืน อ, อายุยืนนะใช่ค่ะเวลาหมดเลยค่ ะ, <c oughs> ะเดยพนเราให้สิ่งที่มีคุณค่าจนหมดในการจริงๆนมรสการขอบพระคุณท่านพบูลนะคะเนพานท่านฝังที่คบค่ะเห็นไหมคะว่าสิ่งที่พระพุธองสอนนั้น มันสามารถนำมาใช้ในชีวิตรประจำวันได้ตั้งแต่เรื่องพื้นพื้นยันจนไปถึงนิพพานเลยนะคะวันนี้เราก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้พุทธวัตรสวัสดีค่ะ